พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีท้งปวงเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทางปวงนั่นเองรสแห่งธรรมคืออะไรรสแห่งธรรมก็คือความสงบของใจอย่างที่ทรงตัดไว้ว่า นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่เกิดจากความสงบก็คือผลที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่องสิ่งใดคือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษา สิ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกที่เป็นตัวแทนของธรรมถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้จากวิธีการเข้าสู่พระธรรม เข้าสู่รถแห่งธรรมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการศึกษาพระพุทธประวัติจึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสิ่งที่ผู้ปรารถนาทำผู้ปรารถนาความสุข ที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมควรจะศึกษากันอย่างยิ่งเพราะจะเป็นคติสอนใจจะเป็นแบบฉบับเป็นแนวทางของการดำเนินของการปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เองนอกจาก พระพุทธประวัติแล้วก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระประวัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นบุคคลที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เข้าถึงลดแห่งธรรมแล้วถ้าเราศึกษาประวัติของท่านเราก็จะได้รู้ว่าท่านทําอย่างไร แล้วเราจะได้เอาวิธีการของท่านนั้นมาเป็นแบบเป็นฉบับที่จะพาให้เราได้เข้าถึงรถแห่งธรรมต่อไปประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นพระราชโอรสประสูติอยู่ในฐานะของพระราชโอรส ตอนที่ทรงประสูติใหม่ๆก็มีการพยากรณ์ว่าพราะองค์นั้นมีคติอยู่สองคติด้วยกันมีทางที่จะไปอยู่สองทางด้วยกันถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นพระมาหาจากักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาแต่มีผู้พยากรณ์อยู่ท่านหนึ่งนั้น ท่านพยากรณ์ไว้ว่ามีเพียงคติเดียวมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือท่านจะต้องออกบวชและได้ตัดสรุเป็นพระอาหารหันตดสัมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะนำธรรมที่เป็นลดแห่งธรรมอันประเส ร, ริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็มีความวิตก เพราะไม่อยากจะให้พระราชโอรสนั้นออกบวชต้องการให้อยู่เพื่อที่จะได้สืบทอดมรดกเพื่อที่จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระราชบิดาจึงสร้างปราสาทสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่พร้อมกับ เครื่องอำนวยความสุานวยความสะดวกทุกรูปแบบที่มนุษย์จะพึงหามาได้ให้แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสร้างกำแพงล้อมรอบปราสาทไม่ให้สิ่งที่จะทำให้สะเทือนใจสิ่งที่จะทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั้นคิดจะออกบวชก็คือไม่ให้คนแก่ไม่ให้คนเจ็บ ใค้ได้ป่วยไม่ให้คนตายเข้าไปในพระราชวังไม่ให้นักบวชเข้าไปในพระราชวังให้มีแต่หญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีๆสวยงามมีกำลังวังชาแข็งแรงสมบูรณ์มีความสามารถในการแสดงอะไรต่างๆแสดงเรื่องของการบันเทิงและมหรสพ เพื่อให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลงไหลข้างใครอยู่กับการอยู่แบบผู้ครองเรือนแต่ความมีสนพระไทยความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่ในใจของคนทุกคนก็ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าภายนอกกาแพงที่พระองค์ประทับอยู่นี้มีอะไรอยู่บ้าง จึงได้เล็ดลอดออกไปประพาสนอกกำแพงก็ทรงไปเห็นคนแก่ก็ถามมหาดเลกว่าคนนี้เขาเป็นใครก็เป็นอะไรมหาดเลกเขาเล็กก็ทูลกราบทูลว่านี่คือคนแก่<ม>พระองค์ก็เหมือนกันสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เช่นเดียวกัน พอเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนร้องควรคลางอยู่ก็ทรงถามมหาดเล็กว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งพระองคอง์ต่อไปก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นเดินต่อไปอีก เดินชมต่อไปอ ก, ก็ได้ไปเห็นงานศพเห็นคนตายก็ถามว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คนที่นอนอยู่นั้นเขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นคนตายซึ่งพระองค์สักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นเหมือนเขาพระองค์ก็จะต้องตายเหมือนเขาเช่นเดียวกันแล้วต่อมาพระองค์ก็เดินต่อไป ก็ได้เห็นนักบวชก็ได้ถามว่าชายคนนี้เขาทำอะไรเขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้แสวงหาความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายเขาก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเหมือนพวกเราเขาจึงไม่อยู่แบบพวกเราเพราะเขาเห็นว่าการอยู่แบบพวกเรา คืออยู่กับการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นหนทางที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เขาก็เลยออกบวนเพื่อที่จะไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหลังจากที่ได้ทรงเห็นชายสี่ลักษณะ ที่เราเรียกว่าเทวทูตสี่ก็ทําให้พระองค์นั้นเกิดความคุ้นคิดขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาภายในพระไถยพระอง ค, คององ์ไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องแก่ไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องตายเพราะว่าได้ถูกห้อมล้อมอยู่กับคนหนุ่มคนสาว ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคนตายให้พระองค์ได้ทรงเห็นเลยพระองค์ก็เลยคิดว่าร่างกายของพระองค์คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่พอได้เสด็จออกไปข้างนอกกำแพงและได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็ทําให้พระองค์ มีความวิตกมีความหวาดกลัวกับความแก่กับความเจ็บและความตายแล้วก็ทรงเริ่มคุ้นคิดถึงการที่จะไปเป็นนักบวชเพราะพระองค์เองก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายถ้าการเป็นนักบวชนี้จะทําให้พระองค์สามารถค้นพบ การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พองค์ก็ทรงยินดีที่จะสระราชสมบัติไปเพราะว่าอยู่กับพระราชสมบัติไปพระราชสมบัตินี้ก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของพระองค์ได้และต่อให้มีพระราชสมบัติมากน้อยเพียงไรพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระราชสมบัติได้พระองค์เลยมีความคิดลึกๆมีความปรารถนาลึกๆว่าจะต้องไปเป็นนักบวชเสียแล้วเพื่อจะได้พบกับวิธีการที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอถึงเวลาคืนที่ ทรงได้รับข่าวว่าพระมเหสีได้ประสูติพระราชโอรสคือพระราหุลขึ้นมาพอได้ทรงทราบข่าวว่าพระราชมีพระราชโอรสท่านก็ทรงอุทานออกมาว่าราหุลราหุลเป็นภาษาบาลีแปลว่าบ่วงทรงเห็นแล้วว่าพระราชโอรสนี้จะเป็นบ่วงที่จะ ดักที่จะผูกมัดให้พระองค์นั้นจะต้องอยู่ในพระราชวังต่อไปอย่างไม่มีวันที่จะออกจากได้ออกจากพระราชวังได้จึงเป็นเวลาที่จะต้องทรงตัดสินใจว่าถ้าจะไปก็ต้องไปคืนนี้แล้วไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ไปก็คงจะไม่ได้ไปจึงได้ตัดสินพระไถยในคืนนั้น หนีออกจากพระราชวังไปโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบเลยเพื่อที่จะได้ไปเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ไปศึกษาวิธีการที่จะทําให้พระองค์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพอได้เสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ได้ทรงบำเป็น บำเพ่นตนเป็นนักบวชได้สรงโกนพระศรษะแล้วก็เอาเครื่องนุ่มห่มของนักบวชมาห่มคือเสื้อผ้าของขอทานนี่เองระว่างทางได้สรงพบกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่ว่าสวยงามก็มีความอยากได้ ก็เลยขอแลกเสื้อผ้ากับพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็ทรงยินดีเพราะทรงไม่เห็นไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแล้วเป็นนักบวชเป็นเหมือนเป็นผู้ขอเป็นขอทานแล้วก็ยินดีที่จะแลกเสื้อผ้าของพระองค์กับขอทานแล้วพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับ ผู้อาจารย์ต่างๆที่รู้จักแนวทางของการที่จะทําให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ไปศึกษาอยู่กับผู้อาจารย์อยู่สองรูปท่านก็สอนได้ถึงระดับสมาธิ การสอนให้รักษาศีลแล้วก็สอนให้บำเพ็ญจิตตภาวนาส ม, มถภาวนาให้ทําใจให้สงบเพราะเวลาที่ใจสงบนั้นใจจะมีความสุขใจจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นความแก่เห็นความเจ็บได้เห็นความตาย หรือนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกจึงทรงรู้ว่ายังไม่ได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากความทุกข์เวลาที่จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไรต้องทรงไปศึกษาหาวิธีที่จะทาอย่างไร ไม่ให้พระองค์ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเพราะมีร่างกายที่จะต้องคอยเลี้ยงดูดูแลรักษาก็ต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาทากิจ ของร่างกายมารับประทานอาหารมาขับถ่ายมาเปลี่ยนอิรยาบดของร่างกายเพราะว่าถ้าร่างกายอยู่ในอิรยาบดเดียวเดียวเดียวนานๆก็ทำให้ทำให้อาพาธได้ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ทำให้พิกลพิการได้พอออกจากสมาธิมา พอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายก็ทรงวิธีทรมานตนเองต่างๆนานาตามแบบฉบับของอรุษีที่เขา ทรมานร่างกายกันเพื่อที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์จากการที่จะต้องพบกับความเจ็บของร่างกายได้จึงทรงรู้ว่าไม่ใช่วิธีทรงอดพระกยาหารถึงสี่สิบเก้าวันก็ทรงเห็นว่า ใจก็ยังทุกข์กับความเจ็บของร่างกายกับความหิวของร่างกายอยู่จะไม่ทุกข์ก็เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องของร่างกายรู้เรื่องของความเจ็บของความหิวของร่างกายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ยังรู้ว่าการทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆนี้ ไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้จึงส่งย้อนมานึกถึงการภาวนาเวลาที่ทำใจให้สงบเวลาใจสงบนั้นใจไม่คิดปรุงแต่งพอใจไม่คิดปรุงแต่งใจก็ไม่มีความทุกข์พอออกจากสมาธิมาพอใจคิดปรุงแต่งไปทางความอยาก ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, าพระองค์จึงทรงพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากนี่เองเอคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เ, าเวลาเกิดความอยากนี้ขึ้นมาทีไรก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เวลาที่ไม่ได้คิดปรุงแต่งไมในทางความอยากใจก็สงบใจก็ไม่มีความทุกข์จึงได้ส่งค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางความอยากนั่นเองจึงทรงเห็นว่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระไตยของพระองค์นี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ และเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องไปเกิดใหม่ทำให้เป็นทำให้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่หลังจากที่ร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ตายไปแล้วถ้ายังมีความอยากอยู่ความอยากก็จะพาใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ พรเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดมกลิ่นลิ้มรสอยากจะสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ก็เลยต้องไปเกิดใหม่แต่พอไปเกิดแล้วก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตาย เจอกับการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปแก่ไม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่พระองค์จึงได้ทรงค้นพบด้วยการบําเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนา เห็นต้นเหตุของความทุกข์และเห็นต้นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นี้ดับไปก็คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาดูความทุกข์ที่มีอยู่ในใจว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากนั่นเองและวิธีที่จะละความอยากก็ให้ พิจารณาเห็นให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขไปได้อย่างถาวรสิ่งที่อยากได้สิ่งที่คิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขนั้นให้ความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเช่นร่างกายอยากจะได้ร่างกายอยากจะมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายจะได้ทำอะไรต่างๆ หาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมาเสบมาสัมผัสมาให้ความสุขได้แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่ไปยับยัง้งไปห้ามเขาไม่ให้มาไม่ให้ไปไม่ได้เวลาเขาจะมาเขาก็มาเวลาเขาจะไปเขาก็ไปเขาไม่แน่นอนห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขใจเวลาเสียไปก็เสียใจมีความทุกข์ใจตามมาเช่นร่างกายเวลาเกิดก็ดีใจกัน ดีใจว่าได้มีร่างกายจะได้ไปทําอะไรได้แต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ทําอะไรไม่ได้หาความสุขกันไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ใจถ้าเห็นว่าทุกอย่างที่คิดว่าจะให้ความสุขนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังครับ ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสังวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันไปถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็จะระ ง, งับความอยากต่างๆได้พอระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ความทุกข์ใจก็ไม่มีการที่จะไปหาสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายนี้ก็ไม่มีเพราะว่าใจมีความ อิ่มมีความพออยู่ในใจแล้วคือความสงบที่ได้จากการละ ง, งับความอยากต่างๆที่เป็นรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้เองนี่ก็คือการบรรย์ถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงด้วยการบำเพ็ญส ม, มถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการออกบวชเพราะว่า ถ้าไม่ได้ออกบวชถ้ายังดำรงชีวิตในเพศของคารวะอยู่ก็จะมามีภารกิจการงานของคารวะมาเอาเวลาที่จะมาบำเพ็ญไปหมดจะไม่สามารถบำเพ็ญส ม, มถะและวิปัสสนาภาวนาและไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา ถ้าอยากจะได้รถแห่งธรรมก็ต้องสละรถทั้งปวงไปถ้าเราเชื่อเรามีศ ร, รัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงและเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับรถแห่งธรรมนี้เราก็ต้องกล้าที่จะสละรถทั้งปวงไปเพื่อจะได้ ไปแสวงหารถแห่งธรรมนี้เพราะการจะได้รสแห่งธรรมนี้ก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดให้กับการปฏิบัติการเจริญสีนสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดรถแห่งธรรมขึ้นมาภายในใจนี้เองนี่คือวิธีวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงสล ะ, ะลดทั้งปวงไปลถของการเป็นราชโอรสแล้วไปเป็นรถของนัก บ, บวชแสวงหารถแห่งธรรมจนในที่สุดก็ได้ทรงพบรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีการบำเพ็ญของพระองค์ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพระอาหารหันตสาวกท่านก็ปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสอน สละทรัพสมบัติกันไม่ว่าจะมีฐานะสูงต่ำก็สละกันไปเป็นเศรษฐีก็สละทรัพสมบัติเก้าของเงินทองเป็นคนธรรมดาก็สละทรัพสมบัติที่มีอยู่ไปสละวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาใช้ชีวิตแบบนักบวชกัน การบวชนี้จะบวชแบบเต็มรูปแบบก็ได้หรือบวชแบบาทางใจก็ได้คือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปโกนสีษะนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ให้บวชเหมือนให้มีให้บวชเพื่อที่จะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้ว บวช ด, ด้วยการปฏิบัติไม่ได้บวช ด, ด้วยการปรงผมหรือห่มผ้าสมัยนี้เรามักจะเห็นการบวชนี้เป็นการบวชเพียงกอนศีรษะและห่มผ้าเหลืองแต่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้แทบจะไม่มีเลยจะมีก็อยู่กับพระที่มีความศรัทธามีความแน่วแน่ต่อ การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายและได้น้อมเอาวิถีชีวิตแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกมาปฏิบัติซึ่งพระเหล่านี้นั้นท่านมักจะไปบำเพ็ญสามัญกิจของท่านในป่ากันเพราะว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการบำเพ็ญนั่นเอง ท่านจะไม่มาอยู่เกะกะอยู่ตามบ้านตามเมืองที่มีแต่กิจกรรมทางพิธีกรรมต่างๆมีการสวดมีการกระทำพิธีอะไรต่างๆแต่ไม่ค่อยมีการบาเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาและสถานที่อยู่ก็ไม่เอื้อต่อการบาเพ็ญเพราะไม่สงบสงัดวิเวก มีแสงสีเสียงมาคอยรอบกวนจิตรอบกวนใจอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มุ่งมั่นต่อรถแห่งธรรมจึงมักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันท่านเหล่านี้จึงมักจะจึงมีมีสมยาหรือมีชื่อเรียกกันว่าพระป่าพระป่าก็คือพระที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงดัด วิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เป็นสิ่งที่มาคอยรบกวนใจยั่วยวนกวนใจทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้พอได้ยินเสียงพอเห็นรูปก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้และถ้าไม่ระมัดระวังปล่อยให เห็นให้ได้ยินบ่อยๆเข้าก็อาจจะทนอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้เพราะจะเกิดความรู้สึกเหงาว้าวเวขึ้นมาและอยากจะกลับไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็อาจจะต้องออกจากป่าไปอยู่ในวัดในเมืองและก็อาจจะลาสิกขาไปต่อไปก็ได้นี่คือ การบวชแบบไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่การการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ได้บวชก็ถือว่าได้บวชแล้วเช่นเป็นคารวะญาติโยมแต่มีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มรูปแบบได้ตลอดเวลา เพราะไม่มีภารกิจการงานอะไรต่างๆที่จะต้องทำมีเวลาที่จะบำเพ็ญได้เต็มที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วคำ ว, ว่าเป็นนักบวชนั้นก็คือนักปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่ใช่การที่ได้มีทมพิธีกรรมให้โกนศีรษะให้หม่มผ้าสีขาวหรือสีเหลืองก็ตาม อันนี้เป็นเพียงรูปแบบของนักบวชของนักปฏิบัติแต่ถ้ามีรูปแบบแต่ไม่มีการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่มีรูปแบบแต่มีการปฏิบัติอันนี้ได้ประโยชน์เพราะประโยชน์นั้นเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้นั่นเองดังนั้นผู้ที่ ไม่ได้เป็นนักบวชแต่สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบก็ควรจะยินดีควรที่จะพอใจกับฐานะที่เป็นอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดิน้นไปเป็นนักบวชแต่ถ้าบวชได้ก็ดีไม่ว่าอะไรแต่ตัว สาระสำคัญของการบวชก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าได้มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วลดแห่งธทามต่า ง, งระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา นับตั้งแต่ลดแห่งธรรมของพระโสดาบันขึ้นมาสู่พระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์จะเป็นผลที่เกิดตามมาตามลำดับของเหตุที่ได้บำเพ็ญเอุที่จะทำให้ลดแห่งธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญานี่เองไม่ได้อยู่ที่การ โกนสีสะระด้วยการห่มผ้าเหลืองหรือผ้าขาวแต่อย่างใดแต่อยู่การบําเพ็ญและการบําเพ็ญที่จะได้ผลได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วก็ต้องบําเพ็ญอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกและไม่คุกคลีกันอยู่การตามลําพังบําเพ็ญกันไปนอกจากมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันบางเวลาเช่นเวลารับประทานอาหาร หรือเวลามาช่วยกันทำความสะอาดเช่นของพระนี่ตอนเช้าก็ออกไปบิณฑบาตร่วมกันแล้วก็ฉันร่วมกันฉันเสร็จแล้วหลังจากเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยแล้วก็แยกกันไปที่พักของตนที่บำเพ็ญของตนเพื่อจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิและปัญญาไปตามลำดับของการปฏิบัติของแต่ละท่านนะ พอตอนบ่ายก็ออกมาช่วยการปัดกวาดลานวันแล้วก็ฉันน้าปะนะ่านาหลังจากนั้นก็แยกกันกลับไปสงน้ำลงน้าเสร็จแล้วก็เข้าสู่การบำเพ็ญต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาประมาณสี่หรือห้าทุ่มแล้วก็จะพักอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าพักสี่ สี่ทุ่มก็ตื่นตีสองถ้าพักห้าทุ่มก็ตื่นตีสามแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมหรือเจริญสติแล้วแต่ระดับของการปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใดถ้ายังอยู่ในระดับการเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในระดับปัญญาก็พิจารณาธรรมไป สลับกับการนั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่างหกโมงเชา้าก็ออกไปบินถบาทนี่คือวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากนานๆอาจจะต้องมีภารกิจบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาถ้าเป็นวัดใหญ่ก็จะมีภารกิจมากเพามีศรัทธายาติโยมา ร่วมทำบุญกันมากก็ต้องมีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับแต่ถ้าไปเปริกวิเวกอยู่คนเดียวนี่แทบจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเลยผู้ที่บาเพน ถ, ถึงขั้นที่จะต้องเปลิกวิเวกท่านก็มักจะเปริกวิเวกกันผู้ที่เปลิกวิเวกนี้ส่วนใหญ่จ้ต้องมีหลับใจแล้วเคยมีสมาธิแล้วสามารถรักษาใจ ด้วยสมาธิได้เวลาใจเกิดความเครียดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอย่างน้อยก็ใช้สมาธิระ ง, งับดับไว้ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาที่จะดับความอยากต่างๆได้อย่างถาวร<ม>ก็ใช้การดับด้วยสติด้วยสมาธิไวก่อนแล้วก็พอจิตระงับ เข้าสู่ความสงบแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่อยากให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาแล้วถ้าพิจารณาบ่อยๆเข้าใจก็จะสามารถละความอยากในสิ่งนั้นได้ก็จะบรรลุธรรมได้จะบรรลุได้ก็ต้องไปอยู่เปรกวเวกอยู่คนเดียว เพื่อจะได้ปฏิบัติเกณจนี้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างหลวงปู่มานนี้ท่านก็ไปเปริกวเว่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นท่านก็อายุหกสิบแล้วแสดงว่าช่วงนั้นก่อนช่วงที่ท่านอายุหกสิบท่านก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดท่านคงจะได้ทำระดับสมาธิแต่ท่านมีความเมตตาเพราะเท่าที่ได้ยินได้ฟังท่าน มีความปรารถนาพุทธภูมิจึงทำให้ท่านมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเป็นอย่างมากท่านจึงยอมเสียเวลาช่วยเหลือสั่งสอนผู้อื่นในการปฏิบัติในเบื้องต้นจนทำให้ท่านไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติกิจของท่านเองพออายุห0สจึงเห็นว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเสียแล้ว ถ้ายังมีความเมตตาต่อผู้อื่นอยู่ตอนเองก็จะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติกิจของตนได้ยังได้เปลี่ยนเป้าจากการจากพุทธภูมิไปสู่อรหัตภูมิหรือสาวกสาว ก, กภูมิก็คือต้องไปบำเพ็ญเพื่อบรัรลุเพื่อจะได้ทำให้ตอนเองนั้นหลุดพ้นก่อน ถ้าไม่หลุดพ้นแล้วช่วยคนอื่นก็ช่วยได้ในระดับที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแต่จะไม่สามารถช่วยให้เขาได้หลุดพ้นได้เลยเพราะตอนเองยังไม่หลุดพ้นยังเลยตัดสินใจหนีจากหมู่คณะไปไปอยู่ในป่าในป่าบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อยู่บำเพ็ญอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีด้วยกัน ช่วงนั้นก็มีพระที่มีความศรัทธาเข้าไปติดตามไปขอศึกษาท่านก็จะอนุญาตให้อยู่ได้ชั่วงเก่าอยู่ได้ช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษาท่านก็หนีท่านก็ไปเปรกเว้วอยู่ตามลําพังของท่านจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดหลังจากนั้นก็มีท่านเจ้าขุตธรรมเจดี ที่ท่านสมัยที่เป็นเนนั้นได้อยู่กับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่มั่นได้ส่งให้ไปศึกษาล่ำเรียนทางปริยัติธรรมได้เรียนธรรมและได้เป็นพระผู้ใหญ่ก็ไลยได้มาขอลาธนาให้หลวงปู่มั่นได้มาโปรดลูกศิษย์ลูกหาตอนนั้นท่านกาอายุเจ็ดสิบท่านจึงได้เดินทางกลับมาทางภาคอีสานแล้วก็มาโปรด ทั้งพระและทั้งญาติโยมอบรมสั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารู้จักก็ได้เข้าไปศึกษากับท่านและได้รับประโยชน์จากการได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอยู่กับท่านได้หลุดพ้นได้บรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นสูงสุดหลายรูปด้วยกันจะไม่ขอเอยนานเพราะว่าจะจะจ ะ, จะจำไม่ได้หมดก็เลย แต่ท่านก็คงจะทราบประวัติมาแล้วว่าเป็นอย่างไรเป็นใครบ้างอันนี้ก็เรื่องของการปฏิบัติการบําเพ็ญที่จะต้องปีกเว่ยเวกที่จะต้องอยู่คนเดียวที่จะต้องแม่ให้มีภารกิจต่างๆมาคอยรบ ก, กวนใจว่าเวลามาทําภารกิจอื่นมันก็เหมือนกับทิ้งภารกิจที่เราต้องทําไปภารกิจนั้นก็จะ ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการส่งเสริมและก็อาจจะทำให้ถดถอยได้ด้วยผู้ปฏิบัติที่ต้องการได้รับผลอย่างเร็วก็มักจะไม่ยอมทำอะไรจะขอภาวนาเพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะได้ลดแห่งธรรมก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรม ถ้ายังไปทําภารกิจอย่างอื่นอยูอ่เวลาและโอกาสที่จะทำให้ได้ลแถแห่งธรรมนั้นก็จะยืดเยื้อออกไปและอาจจะไม่ทันการกับชีวิตของผู้ปฏิบัติเองก็ได้เพราะว่าชีวิตของผู้ปฏิบัตินี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จะตายด้วยเหตุต่างๆ ขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่ได้จะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แก่ตายกันไปทุกคนอาจจะติดเชื้อติดโรคอะไรขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไปพบกับอุบัติเหตุเจอสิงสารสาัตว์ถูกสิงสารสัตว์กัดตายก็ได้จึงไม่ควรประมาทควรรีบ เร่งการบำเพ็ญการปฏิบัติให้เสร็จภารกิจนี้ให้เรียบร้อยถ้าเสร็จภารกิจนี้แล้วจะไปทำอะไรต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะภารกิจสำคัญนั้นได้ทำเสร็จรุ่งไปแล้วทีนี้จะไปช่วยคนอื่นจะไปสั่งสอนคนอื่นหรือจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆก็ไม่เป็นปัญหาหต่อไป เพราะว่างานเหล่านี้เป็นงานแถมไม่ได้เป็นงานหลักงานหลักนี้ต้องทำอย่าไปทำงานแถมทำงานแถมแล้วไม่ได้ทำงานหลักก็เหมือนนักศึกษาที่ไม่ไม่เข้าห้องเรียนเรียนหนังสือโบแต่ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนนี้ไม่สามารถทำให้ได้รับปริญญาบัตรได้ต้องกิจกรรมในห้องเรียนต้องไปฟังครูสอนแล้วนัก ทำการบ้านนักเตรียมตัวสอบและพอเข้าห้องสอบก็จะสอบได้พอสอบได้ก็จะได้จบปริญญาก็จะได้รับปริญญาบัตรได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเอาแต่การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับภารกิจทางทาง ทางข้างนอกใจเช่นการไปช่วยเหลือสร้างวัดสร้างวาช่วยทําบุญช่วยงานบุญช่วยงานกุศลช่วยงานศพช่วยงานอะไรต่างๆที่ไหนมีงานไปหมดเปิดลงทานเอาแต่ทานอย่างเดียวแต่ไม่ยอมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็จะติดอยู่แค่ระดับทานเท่านั้น ระดับทานนี้ไม่สามารถที่จะทําให้จิตบรรลุถึงลดแห่งธรรมได้ผู้ที่จะต้องการลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ต้องเข้าสู่ขั้นของการรักษาศีลและของการปฏิบัติสมาธิและปัญญาต้องไปปีกวิเวกต้องไปอยู่ตามลําพังต้องไปเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งและความอยากต่างๆให้มันสงบตัวลงไป พอมันสงบตัวลงไปใจก็จะสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่เป็นลถชั่วคราวไปก่อนคือรถแห่งธรรมที่ได้จากสมาธินี้จะได้เฉพาะเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเวลาออกจากความสงบมาลถแห่งธรรมนั้นก็จะค่อยจางหายไปและถ้ามีรถ มีของกิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาก็จะทําลายให้หายไปได้อย่างทันทีทันใดเลยพอออกจากสมาธิมาจึงต้องใช้ปัญญาคอยควบคุมคอยกําจัดตัณหาความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาไตายรักษณในสิ่งที่อยากได้ด้วยการดูความกระเพื่อมของใจดูความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก เปรียบเทียบระหว่างเวลาที่จิตไม่มีความอยากกับจิตมีความอยากนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีความสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเวลาจิตสงบปราศจากความอยากนี้เจ็บมีความสุขมีความสบายแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วพอเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหรความวุ่นวายความรู้สึกอ กวนก歪กระสับกระใสหงุดหงิดนำคาญใจก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีตอนนี้ต้องดูทั้งใจและดูสิ่งที่ใจอยากจะไปอยากจะไปได้ดูที่ใจให้เห็นว่าตอนนี้ใจกาลังทุกข์แล้วทุกข์เพราะความอยากและการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องไปดูสิ่งที่อยากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไปความสุขที่ได้มาก็จะหายไปสิ่งที่จะได้มาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจพอเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบต่อไปนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะรู้แล้วว่าปัญหาทั้งหมดของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ความอยากของตอนนั้นเอง และความอยากก็อยู่ที่ความหลงนี้เองที่ไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นความสุขเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้แต่พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็น ไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมครับบังคับของเราก็ปล่อยมันไปไม่อยากได้มันไม่ไม่ต้องการมันถ้ามีอยู่ก็ปล่อยมันไว้เฉยๆมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันจะอยู่หรือมันจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ายังไปยุ่งกับมันอยู่นี้มันเป็นปัญหาขึ้นมาทันที ถ้าไปอยากมันจะเป็นปัญหาขึ้นมา ท, าทันทีเวลามันอยู่อยากจะให้มันไปมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเวลามันจะไปไม่อยากให้มันไปก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือปัญหาก็คือความทุกข์ใจนี้เองความไม่สบายใจก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาของใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจนั่นเอง ได้วความอยากของใจก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองก็เลยต้องพยายามเจริอ น, อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรเวลาอยากได้อะไรต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเห็นอะไรที่เป็นของสวยๆงา ม, งามๆเช่นร่างกายก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันก็จะต้องเปลี่ยนไปความสวยงามมันก็เหมือนดอกไม้ ดอกไม้ใหม่ๆเวลามันบานมันก็สวยพอตัดเอามาปักไว้ในแจกันไม่ได้ไม่กี่วันมันก็เหี่ยวมันก็เน่าไปร่างกายของคนที่สวยงามก็เหมือนกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเหี่ยวต้องเน่าไปเช่นเดียวกันอันนี้เป็นวิธีของการเจริญปัญญาเพื่อละความอยากต่างๆเมื่อละความอยากได้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวงเป็นลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงนี้เองเกิดจากความยินดีในธรรมยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพาอาาระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของ พระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระอรหันตสาวกเมื่อได้ปฏิบัติตามแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับเช่นเดียวกันเป็นอาการิโกผลนี้กับเหตุนี้เป็นอาการิโกไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลา มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ก็จะมีผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุทธการก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันก็ดีถ้ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะมีการมีการปรากฏขึ้นของผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้เป็นอาการวิโก้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการวิโก้ธรรมที่พระเจ้าได้ตัดสั้นี้เป็นอากาลิโกอาริยาสัจสีเป็นอาการวิโกพระนิพพานเป็นอาการวิโกขอให้เรามีศรัทธาแน่วแน่และมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเถิดแล้วผลจะต้องเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นมาได้นอกจากการปฏิบัติตองให้อธิษฐานกราบพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนวันละสามร้อยห้าร้อยครั้งแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้กราบมีแต่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารับรองได้ว่าจะมีผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนําเอา ทมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากรลัง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 มาเตภวตวันตรายุสุขีทีพายุโกภวะภิวาธนศีลิสะนิจยังุทธาปะจายิโนจตารุธรรมาวัฏาติอายุวโนสุขังพาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดฟังธรรมแล้วยังไม่กระจ่างยังมีความสงสัยก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ถามในช่วงที่เราประชุมกันอยู่ตอนนี้ถ้าหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหา ท่านผู้ใดยอยากจะถามถามได้ไม่ต้องอายไม่คนที่ถามนี่แสดงว่าเป็นคนที่ได้ปฏิบัติแล้วถึงอยากจะรู้เพราะการปฏิบัตินี้มีรายละเอียดหลากหลายด้วยกันที่เวลาฟังเวลาศึกษานี้จะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างหรืออาจจะไม่ได้ยินก็จะต้องเกิดความสงสัยเกิดปัญหาขึ้นมาเป็นธรรมดา การทการถามปัญหาต่อหน้าผู้อื่นก็จะช่วยทำให้ผู้อื่นที่ยังไม่มีปัญหาจะได้รู้ว่าต่อไปเวลาปฏิบัติแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจะได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาถามเพราะว่าได้ยินทั้งคาถามและได้ยินทั้งคาตอบแล้วเินถามคําถามจากทางบ้านจากคุณเบลิต้า มีหลายคนที่ไปทำบุญถวายอาหารเสื้อผ้าไปให้ผู้ที่ตายไปแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับของที่เขาทำบุญไปให้โยมอยากทราบว่าพวกเขาจะได้รับจริงหรือเปล่าคะคือบุญนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้รับบุญที่เกิดจากการที่เราเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระ บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราทําบุญเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาสิ่งที่เราอุทิศไปก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าในโลกทิพนี้เองในโลกทิพนเขาไม่มีร่างกายเขาก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกับที่พวกเราใส่แต่สิ่งที่เขาต้องใช้ต้องมีก็คือบุญความสุขใจอิ่มใจ ความสุขใจอิ่มใจนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถส่งไปให้เขาได้เหมือนกับเวลาเราโอนเงินไปเราไม่ได้ส่งอะไรไปนอกจากบัญชีหมายเลขและจำนวนเงินแล้วเขาก็จะไปรับแล้วเขาก็จะไปซื้อของต่างๆที่เขาต้องการได้ให้คิดว่ามันเป็นแบบนี้ก็แล้วกันโลกทิปนี้เขาก็มี อาหารของเขาอาหารทิพย์อาหารทิพย์าาก็คือบุญกุศลต่างๆพวกที่ต้องมาขอบุญกุศลอาหารทิพย์เพราะว่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่สนใจในการที่จะสะสมอาหารทิพย์ไว้ติดตัวเขาไปพอเขาไปเขาก็เลยไปแบบขอทานไม่มีอาหารทิพย์ติดตัวไปด้วยก็เลยคิดถึงญาติพี่น้องที่รักที่เคารพที่มีความเมตตา ก็บางทีก็มาเข้าฝันมาขอความช่วยเหลือถ้าเขามาเข้าฝันหรือว่าเราอยู่ในสมาธิแล้วเขาเข้ามาติดต่อกับเราได้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการบุญกุศลจากการกระทำบุญของเราเราก็ทำบุญให้เขาไปแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเข้าฝันหรือไม่ได้เข้ามาในสมาธินี้ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ต้องการบุญของเราก็ได้คือ เขาอาจจะมีบุญพอที่ทําให้เขาไม่ต้องมาขอรับส่วนบุญเขาก็จะเป็นพวกเทพไปพวกเทพนี้เป็นพวกเศรษฐีบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่ทําบุญทําทานรักษาศีลอยู่เป็นประจําพอตายไปเขาก็มีทรัพย์ติดตัวไปเขาก็เป็นเศรษฐีในโลกที่ไปพวกที่ เวลามีชีวิตยอยู่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลมัวแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายทางลาบยศสรรเสริญก็เลยไม่มีบุญสะสมไปมีแต่ความสุขเฉพาะที่เวลาอยู่ในโลกนี้แต่ก็เป็นความสุขที่เกิดจากการทำบาปเช่นหากินก็หากินด้วยการผิดศีลผิดธรรมโกหกหลอกลวงช่อโกง อย่างนี้เป็นต้นพอตายไปก็เลยไม่มีไม่มีบุญที่จะพาให้ไปเป็นเทพได้ก็เลยต้องไปเป็นเปรตเปรตนี้เป็นพวกที่มาคอยรับส่วนบุญที่เวลาที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญไปนี่ก็เพราะว่าเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าแต่เพื่อความ ปลอดภัยด้วยเพื่อความมั่นใจว่าถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่รับก็ไม่เสียหายอะไรก็ให้ผู้อื่นไปเราสามารถอุทิศได้ด้วยการกล่าวถึงชื่อของคนที่เราต้องการอุทิศว่าก็อุทิศให้บุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเวลาที่เราเขียนเช็คนี่เราก็เขียนได้ว่าให้ในายกนายขอหรือ นายขอไปใครที่ต้องการก็รับไปได้นี่คือเรื่องของการอุทิศบุญเราไม่ได้ส่งข้าวของไปเพราะโลกทิพย์เขาไม่มีไปรษณีย์ไม่มีบริษัทรับส่งสินค้าต่างๆในโลกทิพย์นี้เขามีแต่เรื่องของบุญเรื่องกุศลที่เป็นอาหารทิพย์บุญกุศลนี่แหละคือาอาหารทิพย์ จิตของเรานี้ถึงแม้จะมีร่างกายจิตของเราก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่ามีการเชื่อมต่อกันระหว่างโลกทิพย์กับโลกธาตุด้วยวิญญาณในขันห้าจิตส่งวิญญาณมารับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายไปร่างกายนี้ถ้าเปรียบเหมือนเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นหุน่นหุ่นยนต์เช่นหุ่นกู้ระเบิด ขหุ่นกู้ระเบิดกับคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้อยู่คนละที่กันเพราะคนกู้ระเบิดไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆกับลูกระเบิดก็เลยส่งหุ่นกู้ระเบิดเข้าไป ว, วิธีเชื่อมต่อการระหว่างคนควบคุมกับหุ่นกู้ระเบิดก็คือสัญญาณวิทยุมีสัญญาณวิทยุก็สามารถสั่งให้หุ่นกู้ระเบิดเดียวซ้ายเนียวขวา ทำอะไรต่างๆได้แล้วหุ่นกู้ระเบิดก็มีตา ก, ก็คือมีมีวิดีโอมีไมโครโฟนรับเสียงก็ส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้ควบคุมได้ด้วยสัญญาณวิทยุเช่นเดียวกันจิตก็เหมือนกับผู้ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี่อยู่คนละที่กันจิตก็เป็นผู้รับความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ผ่านหุ่นคือร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับจิตเนีเวลาจิตอยากจะทําบุญร่างกายนี้ก็เอาซื้อกับข้าวกับปลาาหารของข้าวของหวานอะไรไปถวายพระถวายเสร็จแล้วก็ส่งให้จิตรับรู้จิตรับรู้ว่าตนเองได้ทําบุญก็เกิดความสุขใจเกิดอาหารทิพขึ้นมาภายในใจจิตก็เสพอาหารทิพนั้นไป นี่คือเรื่องของร่างกายกับจิตใจไม่ได้อยู่ที่เดียวกันผู้ที่ได้บําเพ็ญได้เห็นความจริงอันนี้จึงไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าผู้ที่ตายนั้นเป็นเพียงหุ่นยนต์เท่านั้นเองเหมือนกับผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเขาไม่กลัวตายเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ตายเวลาเกิดระเบิดขึ้นมาผู้ที่ตายก็คือหุ่นกู้ระเบิด แต่ผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้ไม่ได้ตายไปเพราะอยู่กันคนละสถานที่อยู่อยู่ห่างไกลจากรัศมีของของลูกระเบิด เ, เวลากิดระเบิดตูมตามขึ้นมาผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนแต่อย่างใดฉันใดเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย ถ้าผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้รู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายก็จะไม่กระทบกระเทือนอเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้ท่านรู้ว่าท่านเป็นใจท่านอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกถาเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณและรับคำสั่งผ่านสังขารความคิดปรุงแต่งเท่านั้นร่างกายทำอะไรก็รับคาสั่งจากความคิดปรุงแต่ง ร่างกายส่งข้อมูลต่างๆางทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งผ่านทางวิญญาณวิญญาณขนไปจิตกระับรู้แต่จิตที่มีความหลงก็ไปคิดว่าตนเองอยู่ในร่างกายเป็นร่างกายพอเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากับร่างกายก็ทุกไปกับร่างกายเดือดร้อนไปกับร่างกายทั้งๆที่ตนเองไม่ได้ไม่ได้ถูกผลกระทบจาก เหตุการ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเลยแต่เพราะความหลงทําให้ไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปยการเรามาบำเพ็ญการมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาศึกษาความจริงของร่างกายและจิตใจเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงหุ่นยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนกับผู้กากับควบคุมบังคับหุ่นยนต์เวลาหุ่นยนต์เป็นอะไรนี้ ผู้กำกับไม่ได้เป็นอะไรด้วยจะเป็นก็ต่อเมื่อไปยึดไปติดกับหุน่นอยากให้หุ่นนี้ไม่เป็นอะไรขึ้นมาก็จะเสียใจเวลาที่หุ่นยนตนี้ก็ชชำรุดเสียหายไปแต่ถ้าไม่มีความยึดติดรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่งหุ่นยนต์เข้าไปกู้ระเบิดมันก็มีโอกาสที่จะต้องถูกระเบิดเสียหายยับเยินได้ ผู้กู้ระเบิดถ้ารู้ว่าจะต้องเหตุการณ์เกิดเหตุการ์อย่างนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขารู้ว่าไม่มีหุ่นตัวนี้เขาก็มีหุ่นตัวใหม่มาทดแทนได้ถ้ายังอยากที่จะใช้หุ่นอยู่แต่ถ้าเบื่อที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนหุ่นมาคอยเรียงดูหุ่นมารักษาหุ่นก็เลิกใช้หุ่นยนตเสียก็หมดเรื่องเพราะว่าถ้ารู้จักวิธีหาความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้หุ่นยนต์คือไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตอนนี้ผู้ที่ยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่นี้ยิ่งต้องเดือดร้อนจะต้องกังวลกับความเป็นไปความเป็นความตายของร่างกายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้หาความสุขภายในใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบร ง, งับจากระ ง, งับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอได้พบความสุขกันนี้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายกต่อไปร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้ มันจะอยู่มันจะตายก็เท่ากันเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมันแล้วมันอยู่ก็มีความสุขเท่าเดิมมันตายก็มีความสุขเท่าเดิมเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้ายังไม่สามารถพบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที นี่คือเรื่องของการมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเราได้มาสร้างความสุขที่ไม่ต้องเพิ่งร่างกายนี้นั่นเองให้เราสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะสามารถรักษาความสุขนี้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมของเราไปตลอดความสุขนี้ก็จะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอด พอใจของเรานี้ไม่มีวันตายความสุขที่อยู่ภายในใจก็จะไม่มีวันหมดเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารอรับส่วนบุญไม่ต้องมาส่งส่วนบุญให้กับคนอื่นเรื่องของคนอื่นปล่อยปเป็นเรื่องของเขา ใครอยากจะได้อะไรก็จะได้อย่างนั้นอยากได้เงินก็จะได้เงินอยากได้บุญก็จะได้บุญถ้าได้บุญก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าได้แต่เงินไม่มีบุญหลังจากตายไปแล้วก็จะไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะไม่สามารถที่จะเอาเงินติดตัวไปได้นั่นเองดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่อย่าประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลกัน ให้ปฏิบัติทากันเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พบกับความสุขที่ถาวรที่จะเป็นสมบัติของเราไปตลอดคำถามจากผู้ฝากถามหนูจะทำลายกิเลสที่ทำให้เราหลงคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนี้ได้อย่างไรคะคือรู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ได้ดีไม่ได้เก่ง ไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นแต่พอเจอเหตุการณ์จริงก็รับมือไม่ทันไปเผลอคิดว่าเราดีกว่าเขาเทียบเขาเทียบเราทุกครั้งไปค่ะก็ต้องดูคนที่เขาดีกว่าเราคนที่เขาต่ำกว่าเราสูงกว่าเราเราก็จะได้ไม่หลงเช่นถ้าเราจบ ป, ปริญญาตรีแล้วก็ว่าเราเก่งเราแล้วทำไมคนที่เขาจบ ป, ปริญญาโทก็ไม่เก่งกว่าเราเลย เราได้เป็นนร้อยเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราไปดูในพันดูนทำไมเขาเก่งกว่าเราหรือเปล่าก็ต้องมองทั้งสูงทั้งต่ำเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในบันไดของอการวัดความเก่งของเราดูพระพุทธเจ้าก็ได้เราเก่งเหมือนพระพุทธเจ้าหรือ ย, ยัง พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นฉันไม่มีกิเลสแล้วเรายังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เก่งจริงคำถามจากคุณพัทรลพรโยมเคยปฏิบัติทางสมถาภาวนาแต่ไม่ได้ผลนักจึงหันมาทางวิปัสสนาภาวนาทั้งเดินจงกรมช่วงตีสามตีสี่และนั่งสมาธิช่วงบ่ายสี่ถึงห้าโมงเย็นแทบทุกวันที่อยู่บ้านโดยใช้กรรมฐานส่วนใหญ่ เป็นท่าสี่แบบที่วัดท่ามะโอจังหวัดลำปางสอนไว้ค่ะคือฟังจากซีดีแล้วปฏิบัติก็พอจะได้ผลบ้างเรียนถามว่าเราปฏิบัติแบบนี้โดยไม่มีครูบาอาจารย์อาจทำให้หลงทางได้หรือไม่คะแล้วจะตรวจสอบตนเองได้อย่างไรคะวิธีตรวจสอบ ก็ดูผลของการปฏิบัติว่ากิเลสน้อยลงไปหรือมากขึ้นมาหรือเท่าเดิมนีก็ดูตรงนั้นกิเลสตัณหาหรือดูความทุกข์ความสุขภายในใจว่ามีความทุกข์เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมีความสุขเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมถ้ามากมีความสุขมากขึ้นก็แสดงว่าก้าวหน้าถ้าเท่าเดิมก็ไม่ก้าวหน้า ถ้าน้อยก็ลงน้อยกว่าเดิมก็ถือว่าถอยหลังดูวัดที่ใจดูที่ความสุขใจเป็นหลักหรือมองที่ความทุกข์ใจก็ได้มองได้ทั้งสองด้านมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันความสุขกับความทุกข์ใจนี้ยังมีปนกันอยู่ของผู้ที่ยังไม่ได้สามารถทําลายความทุกข์ให้หมดไปก็ยังจะมีความทุกข์แต่ถ้าปฏิบัติก้าวหน้าความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นมาถ้า ถ้าปฏิบัติถดถอยความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากเกินความสุขก็จะมีน ố น้อยลงไปให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันหลวงพ่อคะแล้วที่เขาถามว่าถ้าปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์อาจทำให้หลงทางได้หรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเราไม่มความฉลาดความโง่มากน้อยเพียงไรอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านมีความฉลาดมากท่านก็ไม่หลงทางแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้า โอกาสที่เราจะหลงก็มีอยู่ดังนั้นทางที่ดีควรจะครูบาอาจารย์าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนจะจากพวกเราไปว่าพระธรรมวินัยที่เราได้สอนพวกเธอนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาไม่ได้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ ดังนั้นให้เขาหาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นธรรมจักรกับรวรรตนสูตร อ, น, อนัตตลกักษณสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรศึกษาพระสูตรเหล่านี้แล้วเราจะมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราถ้าเราไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เอาครูบาอาจารย์ ในหนังสือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอาจารย์ไปก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามก็แรกหนูเริ่มตั้งใจปฏิบัติธรรมมาสักพักช่วงที่มาถือศีลที่วัดหนูก็ใช้อุบายอดอาหารที่พระอาจารย์สอนแต่พอกลับบ้านไปหนูรู้สึกว่าใจมันเปราะบางมากเวลาใครพูดอะไรทำอะไรก็รู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจ และวุ่นวายไปกับสิ่งที่มากระทบทำให้รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมแล้วแทนที่จิตใจจะเข้มแข็งแต่กลับเปราะบางเช่นเพื่อนในกลุ่มลายวิจารการอดอาหารว่าเป็นการกระทําที่ผิดทางหนูก็รู้สึกไม่ดีและมีอารมณ์กับคำพูดของเขาคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ขั้นเริ่มต้นนี้จิตใจเปราะบางอ่อนไหวทุกคนไหมคะ แล้วหนูควรจะทำอย่างไรให้จิตใจหนูเข้มแข็งกว่านี้คะก็พยายามเจริญสติอยู Paint ่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเวลาเรากลับบ้านเราก็ต้องเจริญต่อไปแล้วก็ถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญาค่อยรควบคู่ไปด้วยก็ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เช่นคำพูดของคนเราไปสั่งให้เขาพูดให้ถูกใจเราไม่ได้เสมอไปเขาอยากจะพูดอะไรก็เขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาจะถูกหรือจะผิดนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกเช่นเขาวิจารณ์ว่าการอดอาหารไม่ถูกทางเราถามเขาว่าเขาเคยอดหรือเปล่า ใช่ไหมเราเป็นเสียใจทำไมเพราะว่าเขาเพียงแต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ถูกทางก็ถามแล้วคุณเคยอดหรือเปล่าคุณเคยปฏิบัติแบบอดอาหารหรือเปล่าคุณยังไม่เคยปฏิบัติอดอาหารแล้วคุณมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้ยังไงว่ามันไม่ถูกทางแต่นี่เราไม่มีปัญญาไงพอใครเขาพูดอะไรขัดหูขัดใจเราหน่อยท่านก็เสียใจไปแล้วเพราะเราอยากจะให้เขาเห็นพ้องต้องกับเราเห็นนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิเลสและความอยาก อยากให้เขาเห็นเหมือนกับเราเห็นคิดเหมือนกับเราคิดนี่คนเราท่านก็พูดนะ ว, ว่าเป็นานานาจิตต่งจิตใจของแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดต่างกันไปเพราะมีความหนงไม่เท่ากันมีปัญญาไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเราต้องสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับคาพูดการกระทาของคนอื่นให้รักษาใจให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่าไปรับ อย่ไปเอาความคิดความพูดการกระทําของเขาเข้ามาใจในใจเราใช้พุทธโธพุทธโธปิดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนทําใจให้สงบกันแล้วมาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เราห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าอยากให้เขาไม่พูดเราก็จะทุกข์เราก็จะหวั่นไหวได้ข้อสอง บางครั้งหนูก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่เด็ดขาดคือหนูรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่หนูก็ยังตัดภาระเช่นญาติพี่น้องหมาไม่ได้ค่ะมันเหมือนเหยียบเรือสองแคมมันทำให้ไม่ก้าวหน้าทั้งสักอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเจอปัญหาแบบนี้หนูควรคิดถึงอุบายข้อไหนดีคะเพื่อให้หนูได้ตัดสินใจเด็ดขาดค่ะ ให้มันพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ถาวรของสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพบุคคลว่าทุกคนเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปจะไปห่วงใยยังไงไปดูแลเลี้ยงดูกันให้วิเศษวิโสอย่างไรในที่สุดก็ตายไปหมดเนี่ยเราเห็นคนตายมาตั้งแต่ตอนอายุสิบสิบสองขวบเนี่ยมันฝังอยู่ในใจตลอดมันเลยทําให้เราไม่ค่อยยึดไม่ติดกับอะไรเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ตายจากกันแนละ้ จะไปห่วงไปกังวลอะไรกันมากมายอยู่ด้วยกันก็อยู่คนไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายไปตนเป็นที่พึ่งของตนคจะให้เราจะไปคอยดูเลี้ยงดูคนอื่นไปตลอดไม่ได้หรอกเขาจะต้องหัดเลี Voy ้ยงดูตัวเขาเองหัดพึ่งตัวเขาเองถ้าเขาพึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่พึ่งเขาจะทํำไง SSD. เขาก็ต้องตายอยู่ดีเขามีที่พึ่งก็ต้องตายอยู่ดียันมันไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกังวลเลย ถึงเวลาที่จะตัดก็ตัดได้อย่างง่ายได้ถ้าเราเห็นว่าในที่สุดก็ต้องตายจากกันคำถามจากคุณปัญญาเท่าหางอืง่นเมื่อวานที่หลวงพ่อได้เทศอธิบายถึงภาวนามยะปัญญาที่จะตัดกิเลสตัณหาได้นั้นต้องมีกำลังอุเบกขาจากสัมมาสมาธิมาสนับสนุนปัญญาในการปฏิบัติขั้นขั้นเริ่มต้นคือขั้นของสติ เพื่อควบคุมใจให้นิ่งเป็นสมาธินี้ทำไมถึงยากจังเลยคะที่ครูบาอาจารย์ท่านเพียรพยายามเอาเป็นเอาตายไปอยู่ป่าช้าอยู่ดงเสือก็เพื่อหลีกหนีให้ห่างไกลความสุขทางกายแล้วตั้งหน้าตั้งตาควบคุมใจให้เป็นสมาธิใช่ไหมคะใช่เพราะท่านรู้ว่าเหมือนกับปลูกข้าวปลูกปลูกข้าวเนี่ย ถ้าเราปลูกในที่ดินดีน้ําดีเนี่ยข้าวมันก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามโติโ ต, โตและออกรวงได้มากถ้าเราไปปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันก็จะได้น้อยการจเจริญสติอยู่ในบ้านอยู่ในที่มีเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันมันขึ้นยากสตินี่มันจะตั้งได้ยากจึงต้องไปอยู่ที่น่ากลัวเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ที่เปลี่ยวๆเลวลาน่ากลัวนี้มันจะพุโทโธอยู่ในใจถี่ยิบเลย มันจะไม่คิดถึงอะไรเลยภายในหนาที10บนาทีมันก็สงบได้ไม่เชื่อลองดูลองไปหาที่น่ากลัวดูแล้วก็ไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธเดี๋ยวเดียวจิตมันก็สงบเราต้องหาที่ปลูกธรรมะปลูกธรรมะต้องไปที่ธรรมะชอบขึ้นก็ที่กลัวนี่แหละที่น่ากลัวทั้งหลายตามป่าชา้าตามป่าลึก ที่มีสิงสาราสารน่ากลัวต่างๆเนี่ยพอเกิดความกลัวขึ้นมามันก็ไม่กล้าคิดถึงอะไรละคิดแต่พระพุทธพระธรรมก็ต้องหาที่ที่จะทำให้สติเกิดขึ้นง่ายๆถ้าอยากจะได้สติก็ต้องยอมตายไม่ตายหรอกคนส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ที่น่ากลัวนี้ไม่ได้ตายสิ่งที่ตายก็คือดิเลตันหาเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถยอมสละชีวิต การคันว่ายามสละชีวิตนี่ไม่ไหนมั่งเขาว่าจะไปตายนะเพียงแต่ว่าให้เราอย่าไปหวงชีวิตเพราะหวงชีวิตแล้วมันจะไปไม่ได้เท่านั้นเองพอเราไม่หวงชีวิตแล้วเราก็จะไปได้แล้วไปได้แล้วเราก็ไม่ตายกันดูพระพุทธเจ้าดูครูบาอาจารย์ต่างๆไม่เห็นท่านตายกันเลยมีแต่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของท่านตายไปหมดคำถามจากคุณวินัย ภรรยาผมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ป่านนี้ผมยังทำใจไม่ได้เลยเป็นทุกข์มากพยายามทำสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์ตอนฟังก็สบายใจดีแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคอยแต่จะคิดและเห็นภาพเก่าๆแล้วก็ทุกข์อีกขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนววิธีแก้ทุกข์ให้ด้วยครับก็ต้องดึงใจออกจากความคิดเหล่านั้น ใช้การบริการพุทโธพุทโธใช้การสวดมนต์ใช้การสัร่งเทศสั่งธรรมไปมันก็จะช่วยดืองใจให้ออกจากความคิดเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่มีอะไรทําเดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ขอให้อดทนทําไปสักพักหนึ่งแล้วความอยากที่จะคิดถึงเรื่องเก่าๆมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปมันก็จะลืมไปได้แตอนนี้ขอให้ใช้สติ ดึงใจออกมาจากความคิดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้หรือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาว่ามันผ่านไปแล้วหนังมันจบไปแล้วมันเหมือนความฝันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันเหมือนกับฝัน เมื่อคืนนี้เราฝันดีฝันร้ายพอตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้วพยายามดึงใจให้ตื่นจากความฝันให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันใจเรามันชอบไปหาอาดีตหาอาดีต ท, ที่แสนหวานแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกพอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ทรมานใจ ใช้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ปัญญาก็บอกมันเป็นอนิจจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาเราเรียกมันให้มันกลับมาอีกไม่ได้ชีวิตเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าอหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอ่ายกมือการหลวงพ่อคะ่ะถ้าเรายัางไปไม่ไม่ได้ในทางธรรมเนี่ยมันติดทางโลกต้องทํำยังไงอ่ะคะ ก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนจนเวลาจนกว่าเวลาจะมาถึงก็ค่อยไปใช่ไหมคะก็อยู่ในทางโลกแล้วก็พยายามฟังทำปฏิบัติทำไปตามกำลังของเราไปก่อนอย่าอยู่เฉยๆอย่าไปหาความสุขหลงดะเริงอยู่กับทางโลกอยู่ทางโลกเพื่อทำหน้าที่ภารกิจของเราเช่นเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีหรือเลี้ยงใครก็ตามก็ทาไป แต่อย่าชฉลยโอกาสไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วย <Okay. S 2> มีเวลาว่างแล้วก็เปิดธรรมะฟังมีเวลาว่างแล้วก็นั่งพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไป <Okay. S 2> ทําได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันได้มากกว่านั้นเพราะมันจะเกิดความเครียดขึ้นมา <Okay. S 2> ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในฐานะที่ทําได้เท่านี้ <Okay. S 2> เหมือนกับว่าเรามีที่ตักอันเล็กๆ เ, เราก็ตักน้ําได้เทละเล็กเท่านั้นะ okay. ก็ตักมันไปตามกำลังของที่ตักของเราที่เรามีอยู่ยังดีกว่าไม่ตักอะไรไว้เลยะสะสมไว้พอถึงเวลาหมดพาระเราก็จะได้มีกําลังที่จะไปได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างสมมติว่าคือคือเรารู้ว่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยบินบนขุนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าคือคือเรา คือเด็ดขาดคือไม่ห่วงแล้วอย่าเงี้ยแต่ว่าเรื่องเงินทองแล้วก็ยังส่งให้อยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราไม่หันหลังแล้วอย่าเงี้ยมันจะเป็นบาปเป็นอะไรไหมคะหลวงพ่อคือเราตัดตัดตรงหน้าไปแล้วแต่คือตอนนี้มันยังตัดแฟนไม่ได้ค่ะมันเหลือแฟนนะคะแต่ว่าทางบ้านนี่ก็เริ่มจะห่างแล้วค่ะทำไมตัดแฟนไม่ได้ก็มีบุญคุณกับเราเลย <c oughs> คือพ่อแม่ยังตัดได้ <c oughs> พ่อแม่ตัดได้แต่ <c oughs> แฟนนี่ตัดไม่ได้ <c oughs> ก็อยากอยาก่างตอนนี้ก็แบบก็ยังยังเป็นปัญหาก็เลยมาถามหลวงพ่อค่ะคือไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมเราเราก็ต้องเราก็ต้องถ้าเรามีศรัทธาคิดว่าการไปนี้ทําให้เราได้พบสิ่งที่ดีกว่าเราก็ไปแต่เราไปเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะทําในสิ่งที่เราต้องทําให้ได้เราก็ต้องลองทําซ้อมไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆไปเลยเช่นซ้อมในวันพระเนี่ยวันพระแล้วก็ลองไปอยู่วัด แล้ววันที่เราว่างไม่ต้องทำงานก็ลองไปอยู่คนเดียวอยู่ที่วัดดูดูว่าเราจะทำได้หรือไม่ถ้าเรามีกำลังคิดว่าเราทำได้เราค่อยไปถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่ดีค่ะเนี่ยค่ะแล้วเป็นปัญหาด้วยว่าก็คือว่าบางทีก็คิดว่าทางบ้านทำไมเราแบบเราไม่คิดแล้วแต่ทไมมันมันมันติดอยู่ตรงนี้ค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ก็ยั ง, <c oughs> ย, งยังไม่มีกาลังพอที่ะจะไปะถ้ามันมีกาลังมันไปได้แหละ ค่ะหลวงพอ่อค่ะพยายามสร้างกำลังขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันรักษาศีลแปดมันมันนั่งสมาธิมันเจริญสติยึดธกรใจให้สงบให้ได้ถ้าได้พบกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปได้ค่ะอขอบคุณค่ะไม่มีอะไรแลใช่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา